บุ๊ก <Book> 2หกสิบเก้าสมุดสต๊ะท์สมุดสต๊ะท์ชรต้องการอยากซาชิโรเอบาสุรวิลีซาชิโรเอบสุรวิลี ดิฉันต้องการเตียงซาโอลิมจิรเดบะซ า, าโลิมรเดบะดิฉันอยากนอนซีลิมินดาซีลมินดาที่นี่มีเตียงไหมอาริสักซาโอลอาริสักซาโอลิ ดิฉันต้องการโคมไฟล a m ปาเมชิร์เดบาลปามิรเดบาดิฉันอยากอ่านหนังสืออิทความินดาอิทวามินดาที่นี่มีโคมไฟไหมอาริสักลามปาอาริสักลาปา ดิฉันต้องการโทรศัพท์เทเลโฟนิมจีรเดบะเทเลโฟนิมจีรเดบะดิฉันอยากโทรศัพท์ดาริริกว่ามินด า, ท, า, นดาที่นี่มีโทรศัพท์ไหมอาริสักเทเลฟอนิ ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปอะเมรัมจิรเดบะเมร่ามจีรเดบะดิฉันอยากถ่ายรูปสุราเท비스กาดะเกบามินดาสุราเท비스กาดาเกบะมินดาที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมอาริสอักอาเมร่า อาริสักกล้องดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มรีเชื่อดบาคอมพิวเตอรีมรีเชื่อดบาดิฉันอยากส่งอีเมลเอลโพสติสกักซา n นามินดาเอลโพสติส g ักซานามน ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมาอาริสักคอมพิวเตอรีอาริสักคอมพิวเตอรี่ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นกาลามิมชีร์เดบะกาลามิมชีร์เดบะดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อยมินดาระกัดดาวเซโรมินดา ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมอาริสักพูเดเสลามีอาริสักพูเดเตักาลามี